พวกเราก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไหน <c oughs> มีกิจต้งเดินทางเนาะต้องไปที่นั่นที่นี่บ้างก็เราก็ไปดูไปดูงานเนาะดูงานข้างนอกดูงานข้างในนะใน ไ, ไปจาริกดูวัดวาอารามต่างๆนะดู ความเป็นอยู่ของพระของญาโยมที่เกี่ยวข้องกับวัดนะหรือแม้แต่การที่เข้าอยู่บ้านนะมีกิจต่างๆนะที่จริงมันก็เป็นบทเรียนในการกลับมาสอนตัวเราเองก็ได้นะเดี๋ยวบางทีเราไปเห็นวัดวาอารามหลายๆแห่งนะบางทีก็มีเน้นการสร้างวัตถุสิ่งของนะ สร้างพระองค์ใหญ่ๆนะสร้างโบสถ์สวยๆนะนะซึ่งถ้ามองในแง่ของการใช้ประโยชน์นะก็อาจจะไม่มากนะแต่มันก็อาจจะเป็นทำให้คนมีศรัทธามีความกราบไหว้นะแต่จริงก็ถ้าเป็นส่วนตัวก็คิดว่า สิ่งที่สําคัญกว่าคือการการสร้างคนนะให้เป็นพระเนะี่อั น, นี้เป็เป็นงานที่ที่ยากนะแต่เป็นงานที่มีประโยชน์มากนะการสร้างพระพุทธ ร, รูปนะดวยวัตถุสิ่งของต่างๆนะให้ใหญ่ให้สวยหมือนก็มีประโยชน์อยู่บ้างนะแต่ในการ ประโยชน์ไม่มากนะแต่ทําอย่างไรเราถึงจะสร้างคนให้ให้เป็นพระเนี่แหละนะสําคัญมากโดยเฉพาะกาอาจจะต้องกลับมาเริ่มที่ตัวเราเองเนี่ยแหละนะเริ่มที่การสร้างตัวเราเองเนี่ยให้เปลี่ยนจากความเป็นคนนะให้กลายเป็นพระขึ้นมาได้นะแต่จริงอย่างหลวงพ่อพุทธทาท่านก็ ท่านมีกรอนนะมีมีกรนี่บอกให้เปลี่ยนจากคนมาเป็นมนุษย์ก่อนนะเป็นมนุษย์นะเป็นได้ที่ใจสูงนะอันนี้ท่านก็มีกรอนอีกยาวนะ อ, อีกนะคอือยกจากจิตใจของคนนะคนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือการผสมกันเนาะผสมกันทั้งดีทั้งชั่วนะ ทั้งหลงทั้งรู้นะ่ะมันผสมกันคนผสมกันไปหมดเลยนะแต่ถ้าจะเป็นมนุษย์ก็คือเป็นที่ใจสูงนะพูดง่ายก็คือเป็นเป็นคนดีนะจิตใจสูงนะจิตใจที่ดีงามนะจิตใจที่มีเมตตากรุณานะจิตใจที่ไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นอนะไรแบบนี้ย จิตใจที่รู้จักให้อภัยอนี้ก็คือเป็นเป็นใจิตใจของมนุษย์ที่สูงขึ้นมาอนะีกเป็นคนดีนะนะไม่เบียดเบียนตัวเราเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีค่ามากแต่ความหมายของความเป็นพระนี่มันอาจจะลึกซึ้งกว่านะคือคือผู้ที่เข้าใจ ความจริงนะเข้าใจธรรมะนะนะก็ไม่ทำความชั่วนะทำความดีนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือทำด้วยความปล่อยวางด้วยนยะคือเข้าใจถ้าถาจะทาโรคมันจะเป็นแบบไหนนะก็เข้าใจแบบนยะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคือบางทีก็ อย่างมันมีหลายๆอย่างนะที่เราก็ต้องฝึกฝนตัวเราเองนะอย่างเรามาบวชก็ดีหลือเราอยู่วัดก็ดีนะเราก็มาปฏิบัติธรรมนะมาทําความเพียร น, นะหรือมีกิจวัตรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากจากคนที่อยู่บ้านเนาะที่จริงจุดมุ่งหม่จริงก็คือเพื่อเราจะได้ฝึกฝนตัวเราเองนี่แหละนะ ขัดเก้เากิเลสของตัวเราเองนี่แหละนะให้มันลดน้อยลงนะฝึกฝนให้รู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นนะหลายอยามแล้วก็อาจจะมีมีสัจจะมีสิ่งที่สิ่งที่เราตั้งใจเพื่อจะฝึกฝนตนเองนะนะเราก็พยายามทํานะอะไรที่มันมันเป็นตัวที่ทําให้เรา หลงไหลไปกับกิเลสเนาะหรือทำให้กิเลสมันหมักหมมขึ้นเราก็ต้องพยายามระนะอะไรที่ทำให้จิตใจมันเกิดสติเกิดความรู้สึกตัวมากขึ้นเราก็ต้องพยายามทำแต่สิ่งสำคัญนะทำด้วยด้วยปัญญาตนะอนไปที่แพร่นะก็ได้คุยกับคุท่านนาธรรมก่าจารย์วัานชัยนะ ท่านก็เล่าหลายๆอย่างนะมีตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คุยกันเรื่องวัดวาอารามเรื่องพระที่นั่นที่นี่บ้างนะท่านก็เล่าให้ฟังตอนหนึ่งว่าหลวงปู่มั่นนะกับหลวงตามหาบัวนะท่านก็ท่านฉันอาหารอยู่ด้วยกันนะแต่หลวงตามหาบัวตอนนั้นท่านท่านตั้งจิตว่าเหมือน เหมือนว่าจะบินธบาตแล้วก็จัดฉันอาหารเฉพาะที่ได้จากบินธบาตเท่านั้นประมาณนี้ถ้าตั้งใจแบบนั้นหลวงปมันก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าหลวงตามหาบัวท่านก็ตั้งใจแบบนั้นแต่ขณะที่กำลังจะดฉันนะก็คล้ายๆก็มีมีญาติโยมก็มาทำบุญก็เอาของมาถวาย หลวงปู่มั่นเขาก็รับไปก่อนนะก็ตักพิจารณาหาร ก, ก่อนแล้วก็ส่งไปให้หลวงตามหาบัวหลวงตาก็ก็ตักจากของญาติโยมไปหลวงปู่มั่นก็ชมนะชมหลวงตามหาบัวเออแบบเนี้ยใช้ได้คือคือท่านเข้าใจว่ามันมีเหตุมีปัจจัยนะมันมาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าแม แม้ท่านอาจจะตั้งใจว่าจะฉันเฉพาะของที่ที่ได้จากการรับบิณฑบาตนะแต่พอมีเหตุมีปัจจัยเช่นมีญาติโยมเอามาถวายเหลวงปู่ท่านก็ลองส่งไปให้นะส่งส่งให้หลวงตาหลวงตา ก, ก็ตักนะก็พิจารณาอาหารจากที่โยมเอามาให้หลวงปู่มันก็ชมหลวงตาว่าแบบเนี้ยใช้ได้นะรู้จักเรียว่ารู้จักปล่อยรู้จักวางนะไม่ยึดมั่นเกินไป คือที่จริงบางอย่างมันการมีสัจจะมันก็ดีนะแต่บางทีบางทีถ้าเราไม่เข้าใจว่าบางทีข้อวัดต่างๆการยึดมั่นต่างๆเนี่ยมันก็คือสินพัฒน์ตัปปรามาส อ, อย่างหนึ่งการยึดมั่นในหลายๆอย่างนั่นแหละก็คือสินพัฒตรปรามาแต่การปล่อยวางก็ไม่ใช่ปล่อยแบบ ปล่อยปละละเลยนะคือคือเป็นการเข้าใจว่าการกระทาต่างๆเนี่ยมันมีมันมันมีเหตุมันมีปัจจัยเนา ะ, นะสิ่งที่ทำนั่นๆเนี่ย เ, นะเหตุปัจจัยมันคืออะไรเนะี่ยเช่นเราจะทำอะไรบางอย่างนะเราก็ทำเพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เกิดการขัดเกาตัวเราเองนะให้เกิดการมีสติมากขึ้นเนี่ย แต่บางอย่างถ้าเราไปยึดมากไปนะมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นนะเกิดการเอาถูกเอาผิดอเอาแพ้เอาชนะเอาดีเอาไม่ดีนะบางทีมันก็แยกยากนะแต่ที่จริงถ้าเรามีสติจริงๆก็ดูดูว่าดูว่ามันยึดหรือว่ามันปล่อยนะบางทีก็ทํานะ ทำแต่ทำแบบปล่อยไม่ได้ทำแบบยึด<ม>ดูว่าจิตมันเกิดการเรียกว่าวิาพากษ์วิจาร์อะไรข้างในมากไหมนะนะมันยังติดอารมณ์ขนาดที่สมมติถ้าเห็นคนอื่นเขาทำผิดจิตเราติดอารมณ์มากไหมหรือก็แค่ดูแล้วก็ปล่อยไม่ใช่มันมีรู้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะรู้แล้วก็ปล่อย แต่บางทีก็พูดก็พูดก็ไม่ใช่พูดด้วยอารมณ์พูดด้วยอะไรก็พูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อตัวตัเองเหมืนนี้ก็พูดได้นะไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าการปล่อยคือการไม่ไม่พูดถึงการไม่ไม่ต้องจดจําอะไรเลยนะแต่เราระ ล, ลึกได้เป็นบทเรียนสอนตัวเราเองเนะีนะ่ยการรักษาศีลหรือการมีข้อวัดต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะนะแต่บางทีเราก็ต้อง มีรู้ว่าที่จริงสินจริงๆก็คือเพื่อให้กายวาจาเกิดความเรียบร้อยนแล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เกิดจิตใจเกิดความสงบจิตใจเกิดความตั้งมั่นจิตใจรู้สึกเกิดความผ่อนคลายเนี่ยคือพอเราไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเราเองเนะจิตใจก็ก็ไม่วุ่นวายเนาะ จิตใจที่ฟุ้งซ่านก็คือบางทีมันฟุ้งไปตามกิเลสอ่ะฟุ้งไปตามความอยากนะอยากดูอยากฟังอยากกินอยากเที่ยวนะอยากพูดนะอยากทำอะไรที่มันสนุกสนานเลยนะไอ้พวกนี้คือมันทาให้จิตมันฟุ้งจิตมันฟุ้งหรือแม้แต่บางที ถ้าเราไปยึดกับอะไรมากบางทีมันก็เป็นมันก็ฟุ้งไปทางวิตกวิจารณ์วิภาควิจารณ์นะนะไปติดอารมณ์อะไรเนะี่ยมันก็คือความฟุ้งซ่านแต่การที่เรามีศีล น, นะด้วยการที่เราพยายามเรามีสติรู้เท่าทันเนี่ยนะมันจะทําให้เราเออเริ่มบันอยากนะอนะอยากมันเป็นเหตุให้จิตมันฟุ้งขึ้นมา พอเรารู้ทันความอยากจิตมันก็ไม่ฟุ้งนะมันก็สงบไปจิตเขากำลังคิดวิพากษ์วิจาร่ะพอเรารู้ทันพอมีภาควิจารมันก็จบไปอย่นั่นนะจิตคือที่จริงถ้าเราฝึกสตินะมันจะเห็นพวกนี้เห็นอารมณ์มันก็ห้ามไม่ได้หรอกนะจะห้ามให้อยากก็ไม่ได้ห้ามให้คิดก็ไม่ได้ แต่พอเรารู้แล้วเออมันตรงอบไปเนี่ยอ๋อสินจริงจริงมันคือตรงนี้นะสินจริงจริงไม่ใช่เพียงเป็นเพียงแค่รูปแบบนะเป็นข้อข้อเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่จริงมันก็มันก็มีดีนะถ้าเราศึกษาจริงๆพระพุทธเจ้าท่านท่านอาจจะไม่เรียกตัวข้อวัดว่าศินตรงๆหรอกท่านเรียกว่าสิกคาบทคือบทที่พึงศึกษานะสิกษาบทนะ ทที่ให้เรามาทำความศึกษาประมาณว่าศึกษาดูซิน ะ, ะทำแบบนี้แล้วนะ่ะมันเกิดผลดีนะประมาณนะี้การไม่ฆ่ า, ศ า, ศาสัตว์เนี่ยเนี่ยมันการไม่บีดเบียนสัตว์เนี่ยมันมีผลดียังไรเนะี่ยถ้าเราพิจารณาดูออก็ใช่นะจิตนะใจเราก็สงบลงนะ การไม่กินเหล้าไม่ดื่มของมึนเมาไม่ผลดีอย่างไรนะพอเรามาศึกษาจริงเออมันก็แตกต่างกันนะกับการที่เรากินเหล้าการที่เราดื่มของมึนเมาอยนะ่างนั้นก็ศึกษาให้ดูนะการที่เราใช้เช่นมีผ้าสามพื้นนะ่ะมีผ้าน้อ ย, นอยเนี่ยเออมันก็ดีนะมาทําให้เราไม่ต้องมีความวิตกกังวลอะไรมากนะอืมเป็นความประหยัดมัธยัตินะ คือที่จริงสิทธา์ข่าวจริงๆคือมันเป็นเป็นไปเพื่อให้เราเห็นว่าอ้อมันเกิดผลดีอย่างไรนะแต่บางทีถ้าเราไปยึดติดถือมั่นมากบางทีมันกลายเป็นไปเอาถูกกอาผิดเกินไปนะมันก็กลายเป็นทุกข์นะนี่คือการที่เรามีสติรู้เท่าทันพวกนี้นะมันก็ทำให้เกิดมีศีลขึ้นมาในใจนะ เกิดสมาธิขึ้นนะจิตก็ตั้งมั่นจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านมากอจิตใจก็ผ่อนคลายด้วยนะสมาธิในจิตใจผ่อนคลายนะควรแก่การงานนะแต่บางทีถ้าคนตั้งใจมากเกินไปอะจิตใจมันจะไม่ผ่อนคลายนะมีสมาธิมุ่งมั่นนะแต่มุ่งมั่นแบบเครียดนะมุ่งมั่นแบบจริงจังก็มีนะอืมสมาธิจริงๆก็ มันมีความตั้งมั่นมีความผ่อนคลายนะแล้วก็ควรที่จะต้องมีสติอยู่ในสมาธิด้วยนะมันจะได้เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าบางทีสมาธิมันมากไปมันมันจะไปเป็นสมาธิแบบไปโฟกัสทำอะไรก็โฟกัสมากเกินไปนะนะคือโฟกัสก็คือมัน อยู่แต่กับเป้าหมายของตัวเองเกินไปนะมันไม่ได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะหลายๆอย่างนะเราก็เราก็ดูอย่างถ้าเราดูง่ายๆก็ได้นะอย่างเช่นเวลาเราสวดมนต์เนนะี่ยเราก็มีสมาธิอยู่กับการสวดของเราเองด้วยนะแต่เราก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขนาดที่ฟังคนอื่นไปด้วยนะดูจังหวะเออมีคนช้ากว่าเรา มากไหมมีคนเร็วกว่าเรามากไม่สวดแบบไหนถึงจะพอดีไปได้วยกันได้นะเราดึงเพื่อนเร็วไหมหรือเราดึงเพื่อนช้าไหม่เราเราก็ไม่ใช่โฟกัสแต่เฉพาะเออเราจะทวดแบบนี้แหละนะเราก็ดูตัวเราเองนะเออเราอยู่ตรงกลางหรือว่าเราดึงดึงไปข้างหน้าหรือดึงไปด่างเลยเนี่นะก็ดูนะอ อ, อันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าที่จริมก็ไม่ใช่ว่า เร็วช้ามันอันไหนมันถูกมันผิดนะแต่เพียงแต่ว่าเออถ้าเราสังเกตดูเออเราก็จะเห็นตัวเราเองสวดมนเราก็จะได้ยินเสียงคนอื่นเขาสวดด้วยนะเราก็จะเออดูว่าแบบไหนมันปรับให้มันพอดีในในขนาดนั่นๆแบบนี้เนาะดูว่าการหายใจไม่เหนื่อยเกินไปนะเวลาสวดเวลาพักก็มีจังหวะให้พัก เยให้ได้หายใจให้อิ่มหน่อยแล้วก็คอยสวดต่อเลยนะดูว่าเราสวดแล้วเพื่อนพอสวดตามได้ไหมอะบรนี่ยนะสวดทันไหมนะสวดเหนื่อยไหมเนี่ยคือมันดูแบบดรวมๆนะดูแบบดรวมว่าเออสวดแบบไหนพอดีนะที่จริงมันก็คือมีทั้งสติมีทั้งสมาธินะมันได้ทั้งสองส่วนนะแต่ถ้าแบบไปบางที ถ้าสมาธิมากไปเนี่ยมันก็จะไปมุ่งแต่ของตัวเราเองนะอันนี้รวมทั้งการทํางานอย่างอื่นได้แหละนะบางทีถ้าเราไปโฟกัสบางอย่างมากไปนะเราก็จะลืมภาพรวมนะถ้าเราดูแต่ข้างในเกินไปเราก็จะลืมข้างนอกนะลืมแต่บางทีการตั้งใจมีสตินะ มันก็คือการตั้งใจคือการเพิ่มสมาธิเข้าไปนะแต่ถ้าเราไปจดจ้องมันมากไปเนะี่ยมันก็จะกลายเป็นเป็นสมาธิมากกว่าเป็นสติมันต้องดูความสมดุลนะบางทีการปฏิบัติธรรมมันเหมือนคล้ายๆการปรับนะให้มันพอดีนะคล้ายๆเหมือนเราปรุงอาหารนะเราปรุงอาหารเราก็เวลาเราชิมอาหารเราก็จะรู้ว่าอ้อ อันนี้มันเค็มเกินไปหรืออันนี้มันหวานเกินไปนะเค็มเกินไปต้องเติมน้ําตาลเข้าไปสักหน่อยไม่หวานเกินไปต้องลดน้ำปลาลงไปสักหน่อยไม่ใส่เกลือสักหน่อยไมยเลยนะมันเข้มคนเกินไปต้องใส่น้ําไปเจือจางสักหน่อยไม่เลยนะมันจืดเกินไปต้องเติมเครื่องปรุงเข้าไปนะคือมันดูความพอดีนะนะความพอดีคือที่จริงความพอดีมันก็หา มันก็ไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวนะเร็วช้าหนักเบาอะไรต่างๆเหมือนกับอาหารนะ น, นะเราบอกพอดีกลมกล่อมของเราก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะว่ามันกลมกล่อมของเขาก็อาจจะไม่ใช่นะแต่คือมันเหมือนคล้ายๆเราดูเราดูภาพรวมเราเข้าใจภาพรวมเออแล้วก็ค่อยปรับเอออันนี้มันมากไปเราก็ลดลงมาเ อ, อ อันนี้มันน้อยไปเราก็เพิ่มขึ้นเลยนะนี่คือเราคือจริงสติไม่จะเป็นตัวช่วยให้เราปรับนะตัวปรับเออมันโฟกัสมากไปนะแล้วก็ผ่อนออกมานะมันออกไปข้างนอกมากไปมันหลงเกินไปเราก็ต้องตั้งใจมากขึ้นเลยเนะนี้ยนี่ยคือสติมันปรับนะเวลาจิตมันมันเข้าข้างในมากไปนะเนี่ยออ ถ้าเราคิดว่ามันต้องเข้าแบบนี้แหละนะมันก็จะดืมข้างนอกนะดืมข้างนอกอันเนี้ยคือถ้าเราไม่รู้ตัวเออเนี่ยจิตมันกำลังเข้าไปข้างในมากไปมันจะไปคอยม อ, มองแต่ข้างในนะมันก็เป็นการจ้องนะหรือถ้าบางทีจิตมันออกข้างนอกมากไปเราก็ไม่รู้ตัวนเราก็ต้องตั้งใจขึ้นทั้งหน่อยค่อยๆปรับนะเราก็จะเห็นว่าที่จริง มันปรับมาพอดีแล้วนะมันก็ยังออกไปได้อีกนะนหรือมันอาจจะเข้าไปอีกนะก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆปรักไปเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดถ้าจะเป็นความสนุกของการปฏิบัติธรรมก็สนุกในการเห็นเนี่ยแหละเออเห็นอ๋อเห็นความหลงนะนะมันสนุกนะหลงไปเพ่งเกินไปบ้างหลงออกไปคิดบ้างหลงไปกับอารมณ์ตามความอยากบ้างนะ มันก็สนุกในการเห็นตัวเราเองนะอวันวันหนึ่งนี้มันหลงเยอะนะดูตัวเองเนี่ยสนุกนะแต่บางทีเราไปเห็นคนอื่นเขาหลงเนี่ยเห็นง่ายนะแต่เห็นตัวเองหลงเนี่ยเห็นยากนะดูคนอื่นเขาหลงเนี่ยมันก็ดูด้วยตาข้างนอกก็ได้นะแต่บางทีก็ถูกดรผิดเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ดูตัวเองหลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูยาก ออืเวลาเราหลงไปคิดเนี่ยมันต้องเห็นต้องมีสตินะถึงจะเห็นนะเพราะงั้นเราก็เข้าไปอยู่ในความคิดหรือเวลาเราหลงเข้าไปดูข้างในมากเกินไปเนี่ยบางทีก็ดูยากนะแต่ถ้า ร, ารู้สึกอ ม, มันเหมือนคล้ายๆพยายามประคองไว้มันเหมือนพยายามที่จะต้องรักษาภาวะว่าแบบนี้ไว้เนี่ยแสดงว่าเริ่มเข้าไปข้างในมากไปละ คือจิตมันใช้ความเพียรแต่มันเป็นเพียรแบบพยายามพยายามรักษาหรือเนี้ยนะความเพียรจริงมันมันไม่ต้องพยายามมากนะมมันมีความคือบางทีเราแปลว่าความเพียรว่าพยายามบางทีก็อาจจะไม่ค่อยตรงนะบางทีความพยายามมันอาจจะเป็นเจอด้วยความอยากก็ได้นะอืมคืออยากให้มันดีนะ อยากให้มันอยู่แบบนี้เนี่ยบางทีมีความพยายามแบบความอยากก็มีนะแต่ความเพียรจริงๆคือคือมันเป็นความพยายามแต่ไม่ใช่พยายามด้วยความอยากอ่ะที่จริงมันรู้แล้วมันก็จบของมันเองนีะมันมันก็เรียกว่าความเพียรได้ถูกกว่านะแต่เรียกว่าพยายามบางทีมันจะมีความอยากความตั้งใจมากไปไหนแต่สี่ก็ พูดในภาษาก็อย่าไปเอาถูกเอาผีดขึ้นมากนะแต่ให้เราสังเกตดูนะสังเกตดูเพราสภาวะที่รู้เฉยๆเนี่ยพอมันคิดขึ้นมามาโดงขึ้นมาก็แค่รู้นะพอแค่รู้แล้วมันก็มันก็จบไปไม่ได้พยายามที่จะให้มันหายเรื่อํานะมันเหมือนแค่รู้ปุ๊บมันก็หายไปของมันเองแบบเ น, นี mm. ้ไม่พยายามจะกลับมาหากายได้นะ มันก็แค่รู้ความคิดปุ๊บความคิดก็หายไปนะพอความคิดมาหายไปมันก็กลับมารู้กายของมันเองคือไม่ใช่พยายามที่จะต้องกลับมานะแต่นอกจากบางครั้งที่อารมณ์มันแรงแบบนั่นแหละโอเคนะสติกำลังไม่พอนะกลับมาสร้างสติเพิ่มขึ้นกลับมาตั้งใจตรง น, นี้เพิ่มขึ้นอั น, นั้นก็ได้นะคือบางทีอย่างที่ว่าบางที การเจริญสติที่เป็นวิปัสนาดูเฉยๆเนี่ยมันก็เป็นทางตรงก็จริงนะแต่บางครั้งมันก็เดินตรงไม่ได้ทั้งหมดจริงก็มีสมถะนะมีความตั้งใจเอาสมาธิมาดึงช่วยนะพระเจ้าเจ้าท่านก็เลยไม่ปฏิเสธนะทั้งทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ยมันก็ต้องไปคู่กันนะไปคู่กันแต่ประเด็นสําคัญคือเราต้องรู้ว่าขนาดเนี้ยเออ ผิดมันกำลังเออมันมันตั้งใจมันตั้งใจไงมันพยายามพวกนี้ยมันมันเอ็นมาทางสมาถะนะนงมันเอ็นมามันพยายามจะรวบรวมสมาธิให้มันเกิดความตั้งมั่นขึ้นนะอมันเดินแบบนี้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะเอแต่บางทีพอมันรู้สึกมันมากไปแล้วเราก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันสบายขึ้นนะปล่อยให้มันเกิดการเห็นเกิดการเกิด เห็นการเกิดการดับของมันเองนะให้มันรู้สบายๆมากขึ้นนะปล่อยให้มันคิดบ้างนะแล้วค่อยรู้ทันนะอย่าไปดักดูความคิดเกินไปนะอย่าไปเพ่งข้างในมากเกินไปนะปล่อยความพยายามลงบ้างเลยเนี่ะมันก็ทาเออมันก็จะผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นก็จะเห็นอารมณ์ได้มากขึ้นนะเห็นทั้งกายเห็น <het roid> ทั้งใจได้มากขึ้นแบบนี้แต่ถ้าตั้งใจมากไปมันจะไปเห็นแต่ ไอตัวกรรมฐ า, านหลักนะแต่ถ้าเราผ่อนออกมาสักหน่อยเราก็จะเห็นอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกด้วยนซึ่งที่จริงมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นตัวกรรมฐ า, านหลักก็ดีหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองแบบธรรมชาติก็ดีหรือความหลงที่มันแทรกเข้ามาก็ดีนะถ้าเราเห็นนะมันก็คือสภาวะที่ถูกเห็นเหมือนกันนั่นแหละ เห็นแต่ว่าเราดูแบบไหนนะบางทีเราก็รู้แบบไปยึดไว้หรือบางทีก็รู้แล้วก็จบไปแบบนั้นนะเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องดูนะมันเป็นการเหมือนสะสมประสบการณ์เนาะเป็นบทเรียนนะปัญญาจริงๆก็คือเนี้ยแหละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางนะรู้แล้วไม่ยึดนะรู้เข้าใจสนะิ่งที่มันเกิดขึ้นมา ดูมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามความเป็นจริงนเกี่ยวข้องกับโรค